สทศนาแผ่นที่801ลำนับที่8โดยหลวงพอ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรรธานีแสดงธรรมในวันที่4กันยายน2558มีชื่อเรื่องว่าก้อนไทยกลายเป็นทอง วันนี้เป็นวันที่สกันยายนพุทธศักราช2558หเมื่อวานหลวงพ่อฉันจังหันเสร็จแล้วหลวงพ่อไปที่วัดรวมธรรมออกไปถึงที่นุ่นก็เกือบเกือบเที่ยงแล้วก็คณะศรัทธาญาติโยมมาจากกรุงเทพมีคุณไพโรธ กรุงศีธนาคารกรุงศีออโต้ก็คงจะเกี่ยวกับพรถนะพวกไฟโน้มไฟแนนพวกอะไรหลวงพ่อก็ไม่ได้สืบสอบในรายละเอียดแต่เป็นผู้ใหญ่ของกรุงสีที่มีศรัทธาเมื่อปีที่แล้วมาทอดกระถินแล้วก็เพื่อซื้อที่ดินวัดรวมทรสมบสองไร่เงินสี่ล้านแล้วก็รวบรวมกัน ข่าวนั้นในเงินเท่าไร้านเจ็ดหรือล้านแปด 8, เงินกองกระถินครั้งแรกนะจากนั้นก็ได้ฝากเอาไว้ว่าจะร่วมกันซื้อที่ดินเนะมื่อวานก็เลยรวบรวมจิตปัจจัยที่กระถินบ้างอะไรบ้างลักษณะอย่างนั้นแนะ่ะรวบรวมกันแล้วก็ถือโอกาสมาถวายกุฏิ ที่วัดรวมทมด้วยวัดรวมทมก็ไม่ชีอ่อยเป็นหัวหน้าดูแลควบคุมการก่อสร้างก็ได้เร็วนะทำแป๊บเดียวเสร็จหลังบักใหญ่หลวงพ่อก็ไปก่อนเข้าพรรษาก็ไปดูรอบหนึ่งละเรียบร้อยแต่คราวนี้ก็เลยคณะศรัทธาญาติโยมเจ้าภาพรวมกันทั้ง ทุกคนที่ออกทุนสร้างกุฏิหลังนี้กุฏิสามัคคีสร้างถวายให้หลวงพ่อให้หลวงพ่อไปใช้หลวงพ่อก็ไม่ได้ไปดูไปแลไปอำนวยกำหนดกฎเกณฑ์อะไรมีแต่ว่าให้เขาทำด้วยศรัทธาของเขาแต่ดูๆแล้วไปดูแล้วโอ้โหลูกหลา้าโอ่านะ แต่หลวงพ่อก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่ามันเป็นศรัทธาของของเขาพูดทำหลวงพ่อก็ไม่ได้เ อ, เ อ, อเืออํมน่วยไม่ได้เข้าไปแนะนำบอกกล่าวเขาทำอะไรเออทำพอหลวงพ่อก็เบื่อทั้งด้านวัตถุพอลรงเหมือนกันนะไม่รู้จะทำอะไรเรื่องวัตถุเอาไว้ก่อนแต่เรื่อง คุณธรรมศิลธรรมจริยธรรมคือหน้าที่ของเราเราบวชมาเพื่ออะไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะฮะลำบวชมาเพื่ออะไรนอันนี้คือคําถามอยู่ในจิตใจของหลวงพ่อมาตลอดเ <c oughs> พราะฉะนั้นใครจะสร้างอะไรคือเอาอนุโมทนาแต่เมืม่อวานนีก้ก่อนที่จะถวายกุฏิทางประธานงานคือคุณ ไพโรธประกาศขึ้นมาว่าคณะกรุงศรีกับคณะบริษัทรถมือสอง๋อสมาคมรถมือสองทั่วประเทศรวบรวมจดปัจจใจถวายค่าที่ดินกับหลวงพ่อเป็นเช็คบ่งบอกถึงค่าที่ดินเป็นเงินหนึ่งล้านหนึ่งันห้าร้อยบาทเมื่อวานหลวงพ่อเออดี แต่ที่ดินแปลงนี้ยังยังเหลือเท่าไหร่ก็ประมาณชักเนี้ยล้านต้นต้นแต่ก็ทุกคนก็บอกว่าเนี้ยกรถินปีหน้าหรือว่าต่อไปภายภาคหน้าจะค่อยว่ากันเพราะเจ้าของดินเขาคงไม่ได้รีบเร่ร้อนจ่ายไปเรื่อยๆแต่จ่ายคราวนี้เขาคงจะโอนแหละท่านเนี่ยคงจะโอนที่ดินให้กับวัดแหละที่ดินมันติดวัดแต่วัดมึงกอเพียง สาสิบกว่าไร่ก็แคบเกินไปแต่บัดนี้ได้อีกสิบสองไร่เก่าเข้าไปก็คงเป็นวัดที่กว้างก็น่าอยู่ขึ้นเหมาะแก่การประพฤติธปฏธิบัติธรรมหลวงพ่อไปเห็นแล้วเออท่านรัตนะเดี๋ยวนี้ก็มีพระจำบรรษาด้วยการแปดโรคจำบรรษาที่วัดรวมธรรมแต่หลวงพ่อไปเมื่อวานพอรับกุฏิ เรียบร้อยแล้วก็ดูดแล้วก็ไม่มีอะไรหลวงพ่อเออถ้าไม่มีอะไรหลวงพ่อกลับวัดก่อนนะเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องวัดเมือ่อคืนที่แล้วหนูก็ฝนตกอย่างแรงไม่รู้ว่าทางในวัดมีอะไรหลวงพ่อก็เลยฉันรับภาพรับกถวายกุฏิเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็กลับมาเมื่อวานกลับมาก็ยังไม่ถึงยังไม่ค่ํานะอะ แต่หลวงพ่อก็นั่งนั่งรถไปดูทางหลังวัดเหมือนกันนะเป็นห่วงทางหลังวัดพอไปเห็นน้ำทางหลังวัดน้ำก็ยังไม่ขึ้นอยู่ขึ้นน้อยเดียวประมาณสักศอกหนึ่งมั้งในสระนะน้ำยังไม่มากคิดว่าน้ำจะล้นสระแล้วเมื่อวานนะแต่พอไปไ ป, ไปจริงๆยังขึ้นไม่มากน้ำเมื่อวานนะีนี่นะแต่วันนี้ หลวงพ่อฉันจังหันเสร็จแล้วลูกคงจะกลับไปที่วัดรวมธรรมอีกนะพ่อไปคราวนี้ไปครั้งนี้คงจะไปค้างสักคืนหละทีนี้ยพราเหตุไรเพราะว่าท่านรัตนะหมู่ของท่านเคยเรียนหนังสือมาด้วยกันแล้วก็เป็นถึงรองผู้ว่าแล้วก็เป็นนายอำเภอเป็นอะไรมีหลายหลายคนเรียนมาจากมอชอมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เราจะมารวมกันถวายผ้าป่าวันที่หกันยาก็พูดตั้งแต่นู่นตะ ก, กอนเข้าปรรษาหลวงพ่อก็มีแต่เออเอ อ, เ อ, อนะแต่พอมาวันนี้หลวงพ่อเขาคงจะไปพักค้างชักคืนหนึ่งคืนวันนี้แหละคืนวันที่สี่วันที่5พรุ่งนี้เช้ากขงคงจะมีการทอดผ้าป่าสามคกีที่วัดรวมธรรม พร้อมกับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่านะทางเมืองอุดรทั้งที่ไหนไหนก็คงจะมาหลายคนเพราะวัดเริ่มใหม่กําลังเริ่มทํากาแพงสร้างกําแพงแต่วัดที่ศาลานั้นหลวงพ่อก็ได้พูดพูดกับเจ้าอาวาสกับผู้ศรัทธาอยู่ก็คิดว่าคงจะลงมือในเร็ววันถ้าแปลนเสร็จแล้วก็คงจะเริ่มสร้างไปเรื่อยๆ เพราะวัดยังไม่มีศาลามีแต่กํแาแพงถ้าศาลาเสร็จแล้วก็คงจะที่พักพ้าอาศัยก็คงค่อยๆทําไปแหละท่านี่ไม่รีบไม่เร่งนะแต่ถ้าว่ายังไม่มีศาลาปฏิบัติธรรมที่เป็นผึกแผ่นก็ยังวัดก็ยังอยังขาดอยู่เพราะนั้นหลวงพ่อคงจะให้ทําทําศาลาขึ้นมาเพราะศาลา เ, เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ลงอุโบสถ ของพระสงฆ์เป็นที่ทำสังฆกรรมควรจะมีเป็นเป็นหลักเป็นจิตยะลักษณะลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ที่ยังไงจาเป็นมากไหมก็ไม่ถึงกับจเป็นมากถ้าหลักถ้าพูดตามหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะแล้วอยู่ยังไงก็ได้อยู่ร่มคนต้นไม้ก็ได้ถ้ามันมีมาเกือกทำถ้ามันไม่มีเจะเดือดร้อนคนอื่นใครอื่นเขาเราก็ต้องคิดทาทาไม ทำไปแล้วเดือดร้อนนะเพราะนั้นหลวงพ่อทําอะไรก็ตามนะหลวงพ่อเนี่ยต้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังไม่ให้ใครเดือดร้อนในในความคิดของเรามีมาแล้วเออเอาทําไปทาไม่มีแล้วจะทําไปทําไมนั่งภาวนาอยู่โคนต้นไม้พุทโธพุทโธพุทโธไม่ถึงร้อยปีก็ตายหรอกคือพระหายากอะไรนี่แหละ <c oughs> อันนี้หลวงพ่อเขาคงจะได้ไป รับผ้าผ่านะลูกหลานนะให้พระเนนลูกหลานทุกองนะตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรื่องศรัทธา ญ, ญาติโยมเราก็ต้องรักษาเอาไว้กว็ดีเพราะว่าถ้าไม่มีศรัทธา ญ, ญาติโยมให้การสนับสนุนพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรเนี่ยเรื่องทานทานเนี่ยก็ไม่ใช่ของธรรมดาเหมือนกันนะ ในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุธทธเจ้าอันนี้สงแห่งการทานเนี่อพระพุธทธเจ้าท่านไม่ได้มองข้ามเพราะนั้นศรัทธาญาติโยมผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มารักษาศีลมาภาวนานเป็นหน้าที่ของพวกเรา ท, ทุกทุกท่านเพราะนั้นเรื่องทานคานี้ เดืองทานคำนี้น่มันไปนใช่ไม่ใช่ของเล็กน้อยมันเป็นเรื่องที่สั่งสมบารมีของของพุทธบริษัทอุบาสุกุบาสิกาเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล ส, สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคือนะท่านปารบถึงปุณณะนายปุณณะนางอุตรา นางนายนายปุณณนะนางอุตรานะภาษาลิบุตรท่านเข้านิโรธสมาบัติคือสมัยก่อนพระอารหาันต์ทวกททางหลายผู้มีอภินิหารผู้มีฌานสมาบัติคือพระอรหันต์ม่อยู่สี่จำพวกนะเตวิโชสละพิญโยปฏิสัมพิทพปัตโตเนะตวิโชคือผู้มีอิทธิฤทธ ตวิชโชสาะพิญโยปฏิสัมพิทัปโตแล้ว่าสุขวิปัสสโกโแต่พระหานสุขวิปัสสโกนี่ได้สําเร็จเป็นพระหรหันแล้วไม่มีอิทธิฤทธิ์นะรู้แต่ว่าตัวเองหมดกิเลสราคะโทสะโมหะอันนี้ว่าพระหานสุขวิปัสสโกแต่ว่าคุณข่าเหมือนกันแต่ไม่มีอิทธิฤทธิ์เหมือนกับกินข้าวอิ่มเหมือนกันแต่ไม่มีเงินลักษณะอย่างนั้นล่ะ ไอ้คนที่พระทหารจำพวกสามจำพวกนั้นกินข้าวอิม่มแต่มีเงิน <c oughs> จะใช้สอยอะไรจ้างว่าจ้างอะไรมีเงินแต่พระหารชุกขาพิปัชโกนี่พอทานอาหารเสร็จแล้วกระจบกอิ่มละพอละอแต่เตวิโชศระพินโยปฏิสัมพิทัพปโตนั้นอิอ่มท้องด้วยแล้วก็มีเงินใช้ใจ จ้างว่าจ้างมีอภิินหารมั้งั้นเ อ, ะเ อ, อจะใช้อะไรใอ้ ใ, นใน่รบอกเป็นที่ยอมรับของโคคอนกุมหนังแต่สุขวิปัสสโกนยอมรับตัวเองเป็นภูมิไม่มีฤทธิ์ไม่มีอำนาจไม่มีบุญวัดาสนาแต่ก็รู้ว่าตัวเองหมดกิเลสอัเ น, นี้พาาระรหันก็มีสี่จพวกเหมือนกันน ะ, ะาการัทธายาดโยมลูกหลานให้รู้เอาไว เตวิชโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัพปโตเนะี่ยเป็นผู้มีอำนาจวาสนาเป็นผู้มีอิทธิฤทธิสุขะวิปัสสโกเนะี่ยเป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีสักดาณุภาพแต่รู้ว่าตัวเองหมดกิเลสแต่ความบริสุทธิ์นั้นเสมอกันเพียงแต่ไม่มีฤทธิ์นะแต่ในท่านภาษาริบุตรอัครส า, าวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอัครส า, าวกเบอร์หนึ่งของพระพุทธเจ้า สวบเบื้องขวาท่านเข้านิโรธรมาบัติที่ท่านผู้มีอิทธิฤทธิ์อย่างที่ว่าพอเข้าฌานเสร็จแล้วท่านก็ออกจากนิโรธสมาบัติพอออกจากนิโรธสมาบัติท่านก็เอใครนอจะมีศรัทธาเนี่ยศรัทธาถวายบิณฑ บ, บาตรเราในวันนี้ถ้าผู้ใดถวายบิณฑบาตอาหารเราในวันนี้ผู้นั้นจะร่ารวยจะเป็นเศรษฐีขึ้นมาเลยคือท่าน ท่นออกจากนิโรธจะมาบัตดจะเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ในกรุงราชสืนะ้นก็มีเศรษฐีท่านหนึ่งชื่อว่าสุมาณะเศรษฐีเป็นผู้รวยในเมืองเศรษฐ์ในเมืองอที่และที่มีคนมาทํางานคนมาทํางานเศรษฐีมันก็ต้องว่าจ้างจ่ายงานเป็นวันเป็นวันเป็นวันแต่ในช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาล นักนกษัตริย์นักกษัตริย์ก็คือสมัยก่อนเขาเดือนส2เพองเพนี่เป็นนักกษัตริย์แต่ทางอย่างทุกวันอย่างทุกวันนี้ถ้าเปรียบเทียบบ้านเราก็คือวันสงกรานวันปีใหม่ลักษณะอย่างนั้นแหละคือจะมีการลเล่นกันมีการสนุกสนานกันคือขนว่างงานเลยจุดงานทั้งหมดทีนี้ก็เศรษฐี เ่ตั้งข้ปล่อยโนงานอะแต่ออเอาใครจะไปลางานก็ไปทำงานเจ็ดวันแต่นี่นายปุณณะนี่นายปุณณะเข้ามาหาเศรษฐีเศรษฐีก็ถามว่าปุณณะ เ, เธอจะไปเที่ยวนักษัตย์ไหมหรือว่าเธอจะทำงานนายปุณณะบอกว่าผมจะทำงานครับเพราะผมสามชีวิตมีผมมีพัญญามีลูกสาวคนหนึ่งตัวเล็กๆ ผมไม่มีข้าวจะก อ, อกหม้ออยู่แล้วผมไม่สนุกสนานแล้วครับผมจะไปทํางานครับเอเอถ้าไปทํางานเราไปทํานานะให้ไปเอาวัวไปไถานาครับเอาเบิกพัวให้ เ, เบือกวัวให้เบกเบิกไถให้จากนั้นนายปุณณะเนี่ยก็ได้ไถได้วัวกับไถแล้วก็แวะไปบ้านบอกสั่งพัญญานยานะสั่งแม่บ้านเออ วันนี้ทำอาหารให้ผมมากๆหร่อยนะผมจะไปแต่เช้านะผมจะไปทำไถนานียผมจะไปไถนาผมจะไปไถนาแล้วก็ไปส่งอาหารผมนะทางแม่บ้านก็รับคำแต่ตัวเองก็ไปแหละไปแต่ไปไถนาแล้วพอไถไถไถไถไปภาษารๅษีบทที่ออกจากนิโรธสมาบัติท่านเห็นเอ้ใครเนออจะตักบต จะใส่บาตรเราเหล่น้องวันนี้ท่านก็มองเห็นนายปุณณนะที่เข้ามาในพยานคือเข้ามาในยานรัตนะของท่านพระสารีบุตรท่านเห็นอูปุณณนะเขามีศรัทธาวะ่ะเป็นคนจริงจังและจริงใจแต่นั้นพระสารีบุตรก็ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็เดินมามีบาตรหลบคลองพายจีวรมาพอมาถึงนายปุณณนะเห็นพระสารีบุตร อท่านกนเดินเดินนั่งอยู่ใกล้ๆพุ่มไม้อตัวเขาทํานาพุ่มไม้แล้วก็มีบ่อน้ําอยู่ที่นั่นนายปุณณะพอเห็นพระสารีบุตรเกิดจัตตาเร์หยุดเหยุดไถหยุดวัวอะไรอย่างเงีอยเอาวัวมัดไว้ในคันไถเสร็จแล้วก็ตัวเองก็เดินออกมามาก็เห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรท่านคงจะต้องการไม้ ไม้สีฟันก็มังฮะคือไม้สีฟันสมัยก่อนไม่ยากเลยท่านเอามาเอาไม้อะไรมาก็ได้มากระทุบๆ ๆ, ๆๆแล้วก็เนี่ยเอาถวายท่านเป็นกัปปิยะภาษาลิพุตท่านก็เคี่ยวไม้สีฟันเคี่ยวไม้สีฟันทําความสะอาดท่านก็เอาบาตกับของกรองน้ําให้ในายปุณณะก็รู้หรอพระผู้เป็นเจ้าต้องการต้องการน้ำํำการไปเอาตักน้ําในบ่อแล้วก็ กรองน้ําอย่างดีกรองน้ำขึ้นมาใส่ใส่บาทเพราะบาทถึงใช้ทั้งใช้ทั้งเป็นภาชนะได้ใช้ทั้งบินท บ, บาทด้วยนะบาทของบาทของพระในครั้งพุทธกาลถ้าไม่มีอะไรเอาบาทตักน้ําอาบตักน้ำํำดื่มเนี่ยบาทนี่ใช้ได้แต่ในท่านก็พระสารีบุตรท่านก็เอายื่นบาทให้ของกลองน้ํำให้แต่ท่านก็ต้องมาถวายท่านถวายท่านก็ล้างบ้วนปากทําความสะอาด เสร็จเรียบร้อยท่านก่อนพระส า, ารีบุตรนะถ้าหากว่าเราจะไปบินเท่าบาทในบุณณะเนี่ยเขาก็ยังไม่มีอาหารแต่อาหารอยู่กับเมียของเขาแม่บ้านของเขาแต่แม่บ้านของเขาอยู่นู่นอยู่สุดซอยนั่นนะถ้าเราจะไปก็คงจะคงจะลําบากไปไกลกันไปเอาเถอะเราจะหยุดที่นี่ซะก่อนชักพักหนึ่งให้เขามาซะก่อนเราจรึงจะไปนะ ท่านในท่านก็ใช้ยานราัตนะบนกันนะใช้ยานหนความรู้พิเศษของท่านเพราะฉะนั้นนางนนก็ทำอาหารเสร็จแล้วก็รีบมามาเพื่อจะเอาอาหารมาให้นายปุณณะที่เป็นสามีที่กำลังไถนาอยู่พนนางเดินมาภาษาลิบูตก็เห็นว่านางมาถึงขึ้นทางแล้วมาขึ้นทางแล้วภาษาลิบุตก็เดินบินทบาทออกไป พอไปไปเจอกับนางอยู่กลางทางพอดีนะแต่หัดกำลังจะออกมาจากในเมืองพอดีนางเห็นเท่านั้นแหะเกิดศรัทธาโอ้สมัยก่อนเราเห็นพระผู้ทธเป็นเจ้าพระธรรมศสนาบดีเราก็ไม่มีอาหารเราอยากจะทำบุญอยู่เราจะไม่มีอาหารแต่บัดนีเ้เรามีอาหารด้วยแล้วก็พบท่าน ภาษาเรบุตรด้วยพระธรรมเสนาบดีด้ว ย, ย, วยโอกาสดีจริงๆวันนี้ เ, เราก็จะถวายพระธรรมเสนาบดีละเพราะว่าท่านั้นก็ตั้งวางสิ่งของลงไปแล้วก็กราบพรกราบเสร็จแล้วก็ยกหม้ออาหารขึ้นมาพระพระพระผู้เป็นเจ้าอย่าดูถูกว่าอาหารของข้าพเจ้าเป็นของต่ำทรามนะเนอะด้วยจิตตัวใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็กินอย่างนี้ล่ะ ที่ถวายพระผู้เป็นเจ้าขอถวายอาหารพระผู้เป็นเจ้าโดยเทินขอพระผู้เป็นเจ้ า, ปปจาโปรดเมตตารับอาหารของดิฉันภาษาลิบุตรกะเน่งจากนั้นก็ยืนเข้าไปยืนบาทนางก็ลึกมาก็เทอาหารลงใส่ในบาตรภาษาลิบุตรพอเทอาหารได้ครึ่งภาษาลิบุตรพอละนางเขาบอกว่าอย่าให้มีสวนเหลือเหลือเลยอาหารสําหรับคนคนเดียว ขอถวายทั้งหมดภาษาในบูตก็เปิดบาตรรับอีกท่านก็ใส่เข้าไปอุบาสิกาโยมแฟนของปุณณนนะก็ใส่จนหมดอาหารพอหมดอาหารใส่แล้วก็กล่าวปนมมือจารุเนอร์พระผู้เเจ้าได้ทําบันไดขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนในธรรมที่พระพู้เป็นเจ้าได้บรรลุได้สําเร็จอย่างที่พระผู้เเจ้าได้สําเร็จบรรลุ อด้วยเถิดนะคือนางตั้งความปรารถนาภาษาลิบุอทขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จของเธอจงสําเร็จเนะ้อออพอว่าให้พรน่นะจากนั้นภาษาลิบุทก็เดินนะไปหาที่กลุ่มไม้ไปหาที่ร่มไม้ท่านก็ฉันพัตทหารของท่าน่ะแต่พอนางหมดอาหารนางโอ้ไม่ไดนะ้เราต้องกกรีบไปทําไปจัดอาหารด่วนมา แล้วนางก็ทั้งทั้งเดินทั้งวิ่งนะกลัวพ่อบ้านไถนาจะหิวใช่ไหมละ่ะอพอไปไปทำอาหารกว่ามันจะเสร็จได้ฮะอพอเสร็จพอเสร็จแล้วก็รีบมาเลยพอรีบมาทางไอ้อแฟนไอปุนนะเนี่ยก็ไถนาไปก็ทั้งมองหาเมียด้วยว่ามันหิวข้าวใช่ไหมโคนไถนาทางานเลยเออมองไปโอแ ต, แต่แต่แต่เมียทำไมมาช้านักวันนี้วะ เอพอเสร็จแล้วก็วางคันไถแล้วงั้นปล่อยวัว <c oughs> ปล่อยวัวหากินยา <c oughs> ตัวเองกันนอนแผ่สองสะดึกเนาะมันเหนื่อยเลยมันสายอีกต่างหากใช่ไหมคนหิวข้าวใช่ไหอแต่ในทางแม่บ้านเนี่ยก็ทั้งวิ่งทั้งเดินเหมือนกันเถอะพอมาถึงพอเห็นสามีนอนแผ่สองสะดึกนะมันคงจะเหนื่อยคงจะหิ ว, วคงจะรู้กันนะ คนทำงานใช่ไหมนางกรตะโกนเลยอย่าให้นางอย่าให้จิตใจเศร้าหมองในขณะที่ที่การทำบุญของเราเทา่านทางแม่บ้านกรตะโกนเลยเฮ้ยตําใจยินตําใจดีๆตําใจเจนเจนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทำไมมันมาช้า อ, อย่าไปโกรธโมโหนะ เ, เสียการนะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปนั้นเจ้าก่อนใจยินเจนใจดี ทั้งผู้ผัวก็คอยฟังคงจะมีเหตุมีผลทั้งทั้งคู่หัวผัวเมียมักอคงจะไม่ตาเขียวใส่กันมั้งั้นะทั้งผู้เมียพูดทั้งผู้ผัวพูดก็คงจะเข้าใจกันน่อยพอไปถึงกันเลยนี่อะไรโอ้ที่ฉันมามาถึงเครื่องทางเห็นพระธรรมเจนาบดีภาษาลิบุตรท่านเดินมาดิฉันกอยเห็นแล้วกันเลยถวายอาหารท่าน ดิฉันก็นเรีบไปทำมาเนี่ยพนอะกับมาอีกเนี่ยแหละยิงมาสายนะไม่ใช่อื่นไกลทางปุณณะโอ้ใช่พระธรรมเซนาบดีมาโปรดพวกเราจริงๆมาเมื่อเช้าหรือมานี่ยนะดิฉันผมเองก็ได้ถวายไม้สีฟันด้วยน้ำด้วยกับกับพระธรรมเซนาบดีท่านคงมาโปรดครอบครัวของเราเ อ, อปุณณ า, าก็ดีใจทางปัญญาก็ดีใจ ว่าได้ทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลจากนั้นปุน้าก็เลยกินกินข้าวที่เมียเอาไปให้กินข้าวเสร็จแรกก็พักเอาแรงพอพักเอาแรงตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาขี่ไถไถนาน่นะเอะตาของเรามันฝาดหรือเปล่านะทำไมมันเป็นสีเหลืองเหลืองทั้งหมดนี่วะก้อนไถที่เราไถทั้งหมดนี่นะพอมองมองดูเอ๊ะ ต ะ, ะแก่ ว, ว่าเป็นอะไรถามพันยา่าฉันก็ว่าอย่างนั้นมึงเหลืองๆเหมือนกั น, เ ป, นกเป็นก้อนอะไรวะพวกเขาไม่เคยเห็นทองคําใช่เอมพอไปจับโอ้อันนี้มันแข็งเนี่ยวะมาทุบสึกผานไถโอ้มันแข็งมันมันเป็นทองไงวะโอ้มันเป็นทองได้ยังไงโอ้โหบุญกุศลของเราในขนาดนี้เชี่ยวเหลือเนี่ ย, อยพอทําบุญถวายพระทำเจนาบดีสาริบุตรเพียงแค่นี้ ก้อนไทยของเราเป็นทองคำฮะจากนั้นทุกขตาเนะี่ยเขาก็ไม่เอาก้อนก้อนไทยนะี่ไปหาเศรษฐีนะเขาไปถือไปไปถึงพระรายชาเลยพระรายชาพระเจ้าพิมพิสารเลยถือใส่ถาดเข้าไปพอไปถึงแล้วกันเนี่ยบอกว่ามาอะไรผมปุณนะครับผมไปไถนาเนี่ยก้อนไทยของผมเป็น เป็นเป็นทองคาครับขอให้พระองค์ไปนําทองคอามาไว้ในคางหลวงนะครับผมมันเยอะเหละเกินผมก็มอบให้ท่านทางเศรษฐีจะเอาเท่าไหร่เอาเกวียนเท่าไหร่เอาไปสักพันเล่มครับโอ้เออเอาพระเจ้าปผ่ดินก็เลยส่งเกวียนไปพันเล่มพอไปเป็นพันเล่มตอนนี้ก็คนทั้งหลายที่เป็น คนขับเกวียนยกเออก้อนก้อนไทยนะ่ะขึ้นไปเออันนี้เป็นทองคําของพระราชานะพอขึ้นเป็นของเป็นพระราชาพอยกขึ้นไปเท่านั้นแหละก้อนไทยเท่านั้นเป็นดินเหนียวทั้งหมดอยู่ในรถอยู่ในเกวียนเออพลอว์จะไปนขนไปทําไมเป็นดินเหนียวในวากเลยเออพวกหัวหน้าเกวียนก็นเลยกลับเข้ามาหาพนะระเจ้าเป็นดินอีก พวกผมเอาที่แรกก็เป็นทองคำเพราะยกขึ้นเกวียนแล้วมันเป็นก้อนดินเฮอพ่พอองคจะทายังไงจะเอามาไหมเนี่ยไอ้พวกเธอคิดยังไงบอกว่าเนี่ยเป็นของพระราชาแนละ้วเป็นทองคำของพระราชาเออไม่ใช่ต้องคิดไปไปกลับใหม่ไปพูดใหม่นะเราพวกเราเป็นทองคำของปุณณ์นนะ เ, เป็ น, นบุญบารมีของปุณณนะ ที่ที่ท่านที่ท่านได้ทำเอาขนมากับขนมาในท้องอาไว้ในพารานาพลรานหน้าพระราชสวังเ อ, เอามากองเอาไว้อกองเอาไวเ้เสร็จแล้วจะได้ประกาศว่าใครมีทองคำมากถึงขนาดนี้มีไหมาจากนั้นเขาก็เลยกองมาขนหมามากองเอาไว้กองอไวเ้เสร็จแล้วก็พอเจ้าปผ่นดินก็ประกาศาในเมืองนี่ใคร มีทองคำมากขนาดนี้้าคนมีทองคำขนาดนี้ควรจะตั้งในฐานะเป็นเศรษฐีใช่ไหมคนท้หลายก็ยอมรับยอมรับก็เลยให้นายปุณณนะเป็นเศรษฐีจากนั้นก็มันก็ไม่มีหาที่อยู่ไม่ได้ใช่ไหมนายปุณณะจะให้ข่าพระองค์ไปอยู่ที่ไหนพระเจ้าข่าพระเจ้าเป็นเออนะไปอยู่ตรงนั้นล่ะ ตรงนั้นที่มันเป็นที่ว่างเป็นที่รัฐที่ราชพัสดุเป็นที่รัฐ เ, เป็นของของหลวงอยู่ไปไปทำไปสร้างบ้านจุกนั้นไปนายจุกนายเอ่นี่ก็ไปบุญนะ น, นี่ก็ไปเอากอไผ่ออกปรับพื้นที่ขึ้นมาก็เลยสร้างบ้านขึ้นมาอตรงนั้นแล้วก็ขนทองคําจะเป็นเศรษฐีขึ้นมาเนี่ย นี่นะก็คือพอจากนั้นมากับลูกสาวเนี่ยคนน่ะเออเศรษฐีที่เป็นสุมาณะเนี่ยก็อยากจะได้บางเป็นลูกสะพ้ออก็เลยมาแต่เป็นสุมาณะ เ, เป็นมิตรสาธิตทีเด็ดนี่เออยากจะได้นางอุตราที่เป็นลูกสาวของอปุณณะเนี่ยมาเป็นลูกสะภ้ยเนี่ยผลให้สุดกัพ่อไม่รู้จะทําไงยินยอมนี่แหละอันนี้ก็คือ ในครั้งพุทธกาลในมาในพระไตรปิฎกเท่านพูดอ น, นิสง์แห่งการทานจะให้เสมอกันไม่ได้ทานให้หมดบริจาคให้หมดอจะให้เหมือนเ ส, ม, ส ม, มือนทานบริจาคทานถวายพระพุทธเจ้าพระหันต่สาวกที่ออกจากนิโรธสมาบัตเอจะเส ม, มอกันารไม่ได้นะคนทั้งหลายว่าทานที่ไหนก็เหมือนกันน่นแหะมันใช่ไม่ใช่นะอมันไม่เหมือนกันนะ การบริจาคทานไม่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทางนั้นที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยต้องมาทันทำบุญกับหลวงพ่อไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันพวกเราต้องเลือกสถานที่ที่ทำบุญตรงไหนที่จะเป็นเป็นบุญเป็นกุศลครูบาอาจารย์องค์ไหนพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนหรือจะทำยังไงเราต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นในการสร้างบุญสร้างกุศลนี่แหละการ บุญการกุศลเป็นของใครของเราปุณณะเห็นไหมขนาดคนที่จะขนข อ, ของขึ้นมาว่าเป็นของหลวงเท่านั้นก็ยังเป็นกายเป็นก้อนดินอีกถ้าว่าเป็นของปุณณะเป็นบุญปรมีของปุณณะนี่นั่นแหละจึงเป็นทองคำขึ้นมานี่แหละอันนี้สงูงในการทำบุญทำทานไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะในหลักของพุทธศาสนาท่านยกย่องเชิดชู ผู้ที่มีจิตใจออกมาทางใจด้วยออกมาทางกายด้วยออกมาทางจิตใจด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลแต่วันมันมีการเหลื่อมล้ำต่างกันในการสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถึงยังไงก็ตามการทำคุณงามความดีเนี่ยถึงยังไงก็เป็นดีอย่างวันยังค่าจะไปชั่วได้ยังไงแต่ถ้าทำชั่วแล้วจะดีได้ยังไงเพราะนั้น การสร้างคุณงามความดีถึงจะหน่อยหนึ่งก็คือคุณงามความดีถึงจะรักษาศีลชั่วคู่ชั่วขณะก็คือศีลคนโบราณเขาจึงเปรียบเทียบ ว, ว่าชั่วช้างกระทบหูชั่วงูแลบลิ้นก็คือศีลก็คือคุณงามความดีนี่ก็เหมือนกันการประกอบคุณงามความดีนึกพุทโธคำหนึ่งก็คือระลึกถึงคุณงามความดีถ้านึก คิดขึ้นมาเพื่อจะเบียดเบียนอาคาตพยาบาทจองเวรคิดปองร้ายคนอื่นถึงชั่วขณะจิตหนึ่งก็คือความชั่วมันชั่วออกไปจากจุดหนึ่งซะก่อนมันจึงมีสองมีสามต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันชั่วอย่าคิดจะเลยดีกว่าอสิ่งที่มันชั่วอย่าทําจะเลยดีกว่าสิ่งที่มันชั่วอย่าพูดจะเลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อคิดทําพูดลงไปแล้วมันให้ผล ตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังครที่หลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกผลนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้พูดเรื่องอันสมเหตุห่งการทานให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังที่มาในพระไตรปิฎกนะมาในธรรมปทัตตกถาที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเป็นแนวความคิดส่วนหนึ่งแต่พวกเราจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นอยู่ในใจในจิตในใจของพวกเราท่านทั้งหลายนะในจิตในใจของพวกเรา ถ้าเชื่อหรือไม่เชื่อกันนะมันเคยมีอยู่ในพระไตยปิฎกมันมีอยู่ในจุดนั้นอยู่แล้วนะถ้าว่าเราเชื่อในพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพเชื่อในบุญบา ร, รมีเชื่อทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเชื่อวันรกสวรรค์มีจริงตายแล้วเกิดตายแล้วไม่สูญนิพพานพมลโลกสวรรค์มนุษย์เปรต ตกนรกเนะี่ยมีไหมในโลกเนะี่ยถ้าเราศึกษาว่าเราเชื่อว่ามันมีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามันมีทั้งนั้นหละมันนอกเหตุเหนือผลที่พวกเราจะต้องคิดมันมีนี่แหละอันนี้ก็เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะต่อเ น, นี้งไปพระสงฆ์อนุโมธนาให้พรรับพร